ามานัตสตะว่าด้วยกรณีตัวอย่างการให้มานัต100กรณีภิกษุต้องอาบัตสังคาทิเศษสึกอุปสมบทใหม่ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัสาสสบาตออบสังคาทิเศษหลายตัวไม่ได้ปิดไว้แล้วสึก ถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ไม่ปิดอาบัติเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสงพึงให้มานัดแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ปิดอาบัตเหล่านั้นภิกษุทั้งหลาย สงพึงให้ปริวาสในกองอาบัตครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังคารทิเศตหลายตัวปิดไว้แล้วศึกภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสง พึงให้ปริวาสในกองอาบัดครั้งก่อนตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัดสังฆาทิเศษหลายตัวปิดไว้แล้วศึกภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ปิดอาบัดเหล่านั้นภิกษุทั้งหลาย สงพึงให้ปริวาสในกองอาบัดครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัิสังฆาทิเศษหลายตัวปิดบังไว้ไม่ได้ปิดไว้บ้างภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัิเหล่าใดได้ปิดไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปริวาสในกองอาบัตครั้งก่อนตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังคาทิเศษหลายตัว ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดได้ปิดไว้เมื่อก่อนไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลั ง, ลนน ภ, ลงภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปริวาสในกองอาบัตครั้งก่อนและหลังตามที่ปิดไว้ แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดได้ปิดไว้เมื่อก่อนปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังภิกษุทั้งหลายสมพึงให้ปริวาทในกองอาบัตครั้งก่อนและหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้าง ภิกษุน so ั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดได้ปิดไว้เมื่อก่อนปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปริวาสในกองอาบัตครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังคาทิเศษหลายตัวอาบัตบางอย่างภิกษุนั้นรู้อาบัตบางอย่างไม่รู้ปิดอาบัตที่รู้ไม่ปิดอาบัตที่ไม่รู้ภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดภิกษุนั้นรู้แล้วได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นแล้วไม่ปิดในภายหลัง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 อาบัตบางอย่างภิกษุนั้นรู้อาบัตบางอย่างไม่รู้ปิดอาบัตที่รู้ไม่ปิดอาบัตที่ไม่รู้ภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดที่ภิกษุนั้นรู้แล้วได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นแล้วไม่ปิดในภายหลังอาบัตเหล่าใดภิกษุนั้นไม่รู้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อน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 สงพึงให้ปริวาสในกองอาบัดครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัดสังฆาทิเศษหลายตัวอาบัดบางอย่างภิกษุนั้นรู้อาบัดบางอย่างไม่รู้ปิดอาบัดที่รู้ไม่ปิดอาบัดที่ไม่รู้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 แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวอาบัตบางอย่างภิกษุนั้นระลึกได้อาบัตบางอย่างระลึกไม่ได้ปิดอาบัตที่ระลึกได้ไม่ปิดอาบัตที่ระลึกไม่ได้ภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัตเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้ไม่ปิดไว้ในภายหลังอาบัตเหล่าใดระลึกไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้แล้วไม่ปิดในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปริวาทในกองอาบัตครั้งก่อนตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้น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 ระลึกอาบัตเหล่านั้นได้ปิดไว้ในภายหลังอาบัตเหล่าใดระลึกไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้ไม่ปิดในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปริวาทในกองอาบัตครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแกภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้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 ภิกษุนั้นแน่ใจในอาบัตบางอย่างไม่แน่ใจในอาบัตบางอย่างปิดอาบัตที ivat ivat נס, แ MM ่แน่ใจไม่ปิดอาบัตที่ไม่แน่ใจภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดแน่ใจได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่แน่ใจไม่ได้ปิดไว้เมื่อก yes. ่อน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 สงพึงให้ปริวาทในกองอาบัติครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแกภิกษุนั้น